บรรากาศเช้านี้ก็เริ่มจะอบอุ่นขึ้นไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่กูตูบอกว่าวันนี้กับพรุ่งนี้อากาศจะหนาวอีกก็ต้องเตรียมตัวรับมือความหนาวที่จะเกิดขึ้นวันนี้เป็นวันที่ทั่วโลกสมมุติให้เป็นวันแห่งความรักก็ถือเป็นวันที่มีสีสันวันหนึ่งเพราะถ้าคนไม่มีความรักหมดอะไรตายอย่างในชีวิตเนี่ยก็มีป็นความท้อแท้หอเหี่ยวใจหรือสิ้นหวัง ความรักจะทําให้คนเนี่ยมีกำลังใจสู้ชีวิตคือมีความหวังให้โลกเราเนี่ยก็อยู่ได้ด้วยความรักแต่ความรักก็มีหลายรูปแบบมีรักแบบเห็นแก่ตัวคือรักแบบเรียกร้องแบบเป็นเจ้าของมีเงื่อนไขอันนี้คือความรักแบบเห็นแก่ตัวหรือเรียกว่าสเสนหาแต่ความรักอีกแบบหนึง่งเป็นความรักที่ปัจจากความเห็นแก่ตัวคือเป็นรักที่ไม่เรียกร้องไม่หวังผลตอบแทน อันนี้เขาเรียกว่าความรักด้วยความเมตตาอันนี้ความรักจะมีสองแบบมีรักแบบสเสน่หาแล้วก็รักด้วยความเมตตาพระเจ้าพระองค์จะรักด้วยความเมตตาเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์พระองค์รักพระเทวทัตกับพระราหุลเท่ากันแต่ปุถุชน ท, ทั่วไปเนี่ยจะมีการแบ่งแยกจะรักไม่เท่ากันคือรักลาเอียงรักคนที่ชอบแล้วก็ชังคนที่ไม่ชอบ หรือคนที่ไม่ใช่พวกของเราคนที่ไม่ขัดผลประโยชน์ให้โลกเราจึงมีปัญหาเรื่องความรักนี่แหละมีการแบ่งพักแบ่งพวกกันแม้แต่ในวัดก็มีหรือตามบ้านเนี่ยในครอบครัวก็มีพี่น้องบางทีก็ไม่ค่อยรักกันพ่อแม่บางทีก็รักลูกไม่เท่ากันเจ้านายก็รักลูกน้องไม่เท่ากันอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องถูกชะตาไม่ถูกชะตาด้วยมความรักในโลกนี้จึงมีหลายแบบ แล้วก็เปสาเหตุทําทําให้เกิดทุกข์แต่ละกเกิดจากความเบืตาเนี่ยจะไม่ทำให้ทุกข์หรอกเพราะไม่หวังผลประโยชน์อะไรรักมีแต่ให้เห็นเขามีความสุขเราก็สุขด้วยอัตมาจะเล่านิทานเรื่องเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องที่อัตราก็นําไปลงใน Facebook เรื่องถ้ารักแล้วเราเชื่อใจด้วยที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งชายหญิงคู่หนึ่งทั้งสองได้ออกมาเดินชมสวน ชมธรรมชาติทั้งคู่เนี่ยรักกันมากและต่างสัญญาซึ่งกันและกันว่าจะรักกันตลอดไปเชื่อใจซึ่งกันและกันไม่ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามความรักก็จะไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่ทั้งทั้งสองเนี่ยเดินชมสวน ย, ยังมีความสุขนั้นนางฟ้าตนหนึ่งก็ได้ปรากฏกายขึ้นนางฟ้าทราบถึงคู่รักคู่นี้ว่ารักกันมาก แล้วก็อยากทดสอบว่าจะรักกันจริงแค่ไหนจึงพูดขึ้นว่าเธอทั้งสองรักกันมากเรารู้ดีแต่แต่เธอทั้งสองอยากรู้อนาคตไหมช้หนุกมันหญิงสาวเนี่ยได้ฟังนั้นเกิดซับซึ้งใจมากแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเราทั้งคู่เนี่ยมั่นใจซึ่งกันและกันไม่กลัวอนาคตว่าจะเป็นยังไงนางฟ้าก็เสกสีดีให้สองแผ่นให้คนละแผ่น เพื่อไปดูอนาคตหลังจากได้ซีดีแล้วขันกลับถึงบ้านหญิงสาวก็นำซีดีเข้าเครื่องมาเปิดดูภาพแรกๆที่เห็นในในโทรทัศน์เนี่ยก็เป็นภาพที่เธอแต่งงานยังมีความสุขหลังจากนั้นผ่านผ่านไปห ล, หลายๆภาพก็กลายเป็นภาพแฟนเธอเนี่ยไปคบชู้เธอเห็นดังนั้นเนี่ยเธอก็เสียใจนั่งร้องไห้ น้ำตาอาบแก้มเลยตอนนี้เสียใจในอนาคตในอนาคตจะเกิดขึ้นระหว่างที่เสียใจอยู่นั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเธอจึงไปเปิดประตูก็เห็นชายคนรักมาหาชายคนรักเห็นหน้าเธอก็ยิ้มอย่างมีความสุขด้วยความโกรธเธอตบหน้าชายคนรักเต็มเต็มแรงเลยฝ่ายชายก็งงไอ้โดนตบเรื่องอะไรฝ่ายหญิงก็แสดงรฤยาที่ไม่ดี พยายามหนีห่างผู้ชายก็กลับบ้านไปแล้วในสุดเนี่ยฝ่ายหญิงก็พยายามทําทุกอย่างเลยอะเพื่อจะเลิกกับฝ่ายชายแล้วก็เลิกกันจนได้การเวลาผ่านไปก็คงจะหลายเดือนอยู่วันหนึ่งก็มีเสียงเคาะประตูที่บ้านหญิงสาวหญิงสาวก็รีบมาเปิดแต่ชายคนนั้นที่มาเคาะประตูเนี่ยก็เดินไปไกลจนลับสายตาแล้วเธอเห็น ที่พื้นเห็นซอกจดหมายในนั้นก็มีแผ่นซีดีอยู่แผ่นหนึ่งเธอก็รีบนำเอาแผ่นซีดีเนี่ยไปเข้าเครื่องเปิดดูผลปรากฏว่าภาพแรกๆเนี่ยก็เป็นภาพเธอแต่งงานกับแฟนของเธอแล้วแหละแล้วมีความสุขทั้งสองฝ่ายแต่หลังจากนั้นภาพต่อๆไปเนี่ยก็เป็นภาพเธอเนี่ยคบชู้โดยมีผู้ชายเนี่ยนั่งร้องไห้เธอเห็นแล้วเธอเสียใจมาก แล้วก็ดึงกระดาษจดหมายออกมาอ่านฝ่ายชายก็เขียนว่าผมเนี่ยไม่กลัวอนาคตและเชื่อใจในความรักของเราขอขอบคุณแม้ผมจะเชื่อใจในคุณฝ่ายเดียวก็ตามที่รักขอลา ก, ก่อนหลังก็อ่านจดหมายแล้วฝ่ายหญิงก็น้ำตาไหลเรื่องนี้ก็มีแง่คิดถึงจะเป็นนิทานเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยเชื่อมั่นในฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวทั้งที่ตอนแรกก็สัญญากันไว้ ว่าจะรักกันมากไม่ว่าจะเกิด อ, อะไรขึ้นก็นตามแต่ความรักเป็นของไม่เที่ยงถ้าอีกว่ายหนึ่งรู้ว่าจะต้องผิดหวังเนี่ยทําไมมันคงแล้วเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลได้คือถ้ารักกันแล้วก็ต้องเชื่อใจซึ่งกันและกันอันนี้คู่รักทั่วไปเนี่ยบางทีระแวงว่าแฟนเนี่ยจะไป ม, มีกิ๊กบ้างไป ม, มีชู้บ้างชีวิตแต่และ ว, วนนันนไม่ค่อยอยู่ความสุขหรอกเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยคนเราก็อยู่ใต้อำ น, นาจของกิเลส บางคนก็มีแฟนั้งหลายคนมีกิ๊กั้งหลายคนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายจะหาคนที่รักแท้ซื่อสัตย์ตะคู่ครองเนี่ยคนเดียวเนี่ยยากสมัยนี้นะไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยคนจะมีความมีสัจจะใช้ละครอบครัวรักเดียวใจเดียวถ้าคนมีแฟนแล้วก็จะไม่ไปยุ่งกับแฟนคนอื่นสมัยนี้เป็นยุคเทคโนโลยีเป็นยุควัฒถธนิยมมันก็มีการเปลี่ยนแปลง สังคมก็เลยวุ่นวายคนก็จะไม่จริงใจต่อ ก, กันมองเฉพาะผลประโยชน์เฉพาะหน้าอันนี้คือความรักแบบเห็นกัตัวแต่ถ้าความรักแบบไม่เห็นกัตัวแล้วปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยบางคนแฟนเขาไปมีแฟนใหม่อย่างเงี้ยอันุโบธนาด้วยให้มีความสุขแต่ถ้าคนที่เห็นกัตัวเนี่ยบางคนไม่ได้เลยบาที่ไปฆ่าแฟนใหม่หรือฆ่าแฟนตัวเองก็มีอย่างที่เราเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆ เพราะว่าลึกแล้วก็มีความยึดมั่นถือบ้านว่าเนี่ยของกูนะใครก็ห้ามมาแตะเราเป็นเจ้าของโดยบ้างว่าจะเป็นอย่างนี้จะหาคนที่ใจดีเห็นแฟนมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยเนี่ยยากอย่างสมัยพุทธกาลพระกุมากรกัสปะเนี่ยเป็นลูกของพิษุณีแม่ของท่านเนี่ยตั้งครันตั้งแต่ก่อนบวชคือเกิดแล้วอ่ะท่านก็เล่นอยู่ในนี่แหละอยู่ในวัดอยู่กับแม่ของท่าน พระเจ้าเปรตเทศรษฐกุศลเนี่ยก็รับเอาไว้เป็นเป็นโอรสโอรสบุญธรรมจึงมีชื่อว่าพระกุมารกัสปะท่านก็มีความสามารถหลายด้านสามารถเทศให้คนเนี่ยเปลี่ยนจากวิจฉาทิฐิให้เป็นสามา ธ, ธิได้คือปัญญามากท่านบรรลุธรรมเป็นอภาระอาหารตั้งแต่สมยเเป็นนใน่ะเป็นเนเน เ, เนี่ยท่านก็ออกบิณฑบาตฝ่ายแม่ของท่านเนี่ยก็คิดถึงลูกมากเลยการปฏิบัติธรรมก็ไม่ก้าวหน้า คือเป็นห่วงย้ายลูกไม่รู้ว่าลูกจะเป็นยังไงมั่งวันหนึ่งพิษุนีก็เห็นสนัมมณีมาแต่ ก, กายก็รีบวิ่งเข้ามาแล้วก็พูดว่าแม่คิดถึงลูกแล้วเกินลูกสบายดีไหมสัมมณีอรหันเนี่ยเขารู้ว่าถ้าตัวเองพูดดีๆกับแม่เนี่ยแม่จะตัดความรักไม่ได้การปฏนบัติธรรมมันจะไม่ก้าวหน้ากินต้องใช้อุบายพูดไม่ดีกับแม่บอกว่าบวชมาตั้งนานแล้วยังตัดความรักล่วงแม่กับลูกไม่ได้เลย พิสุจนี้ผู้แม่เนี่ยได้ยินตรงนั้นเนี่ยเป็นลมสลบเลยเพราะไม่นลึกไม่ถึงว่าลูกเนี่ยใจใจจะเห็นกับตัวใจแคบแบบนี้ทำลายน้ำใจแม่ได้หลังจากฟืน้นขึ้นมาเนี่ยนางก็รู้สึกว่าลูกไม่รักเราแ ล, แล้วต่อไปนี้เราต้องปฏิบัติธรรมเพื่อหาทางหลุดพ้นดีกว่าจึงตั้งตั้งใจปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมในที่สุดอันนี้เป็นความเป็นความรักที่เสียละของพระกุมารกาสปะ คือถัดยอมให้แม่เข้าใจผิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รักแม่แล้ว ท, ที่ที่จริงแล้วรักอยากให้แม่เห็นธรรมเข้าถึงธรรมได้ <c oughs> ก็ต้องทําแบบนั้นถ้าพูดดีๆ ด, ด้วยแม่ก็ไม่สามารถตัดใจจากความรักได้อันนี้ก็เป็นอุบายความรักนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มีเฉพาะคนเท่านั้นนะแม่แต่สัตว์สัตว์เลี้ยงอย่างบางคนเนี่ยก็รักหมารักแมวแต่พวก พวกหมานี่ก็มีความกตัญญูว่าเจ้าของคือจะซื่อสัตย์แต่แมวเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยรักเจ้าของเท่าไหร่แมวเป็นสัตว์ที่รักตัวเองเวลาเจ้าของย้ายบ้านแมวก็ไม่ค่อยย้ายไปด้วยแต่ถ้าหมาเนี่ยจะรักเจ้าของจะตามเจ้าของไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเป็นหมาหรือแมวเนี่ยแต่ถ้าราักแบบเสน่หาคือรักแบบเป็นเจ้าของนะเวลาหมาแมวตายทีเนี่ยหรือเจ็บไข้ได้ป่วย เจ้าของก็ทุกข์ใจไปด้วยเพราะมีความยึดถืออยู่เพราะสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเราจะเห็นเจ้าของหมาเจ้าของแมวเนี่ยบางทีร้องไห้ถ้ารวยหน่อยบางทีก็จัดจัดงานศพให้หมาให้แมวก็มีสมัยนี้บางทีก็เสียใจทั้งหลายวันคนรักก็เหมือนกันคนรักนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงที่รักเพราอยึดถือเนี่ยต่อยรักกันแค่ไหนสักวันหนึ่งเนี่ยเขาไม่จากเราเราก็จากเขามีหลายคู่ที่รักกันจริงๆเลยรักกันแต่ก็ต้อง มีเหตุให้ต้องภาจากกันเนี่ยก็มีมากชีวิตของเราเนี่ยมีสิ่งที่กําหนดไม่ได้อยู่ห้าอย่างคือเรื่องอายุเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอายุเราเนี่ยจะเท่าไหร่บางคนตายตั้งแต่เด็กเรื่องมีบางคนตายตอนวัยรุ่นบางคนตายตอนวัยกลางคนบางคนตายตอนแก่เราไม่สามารถรู้ได้อันนี้ว่าเราจะมีอายุเท่าไหร่เป็นสิ่งกำหนดไม่ได้แล้วก็เรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วย หรืออุบัเหตุต่างๆเนี่ยเราก็หนดไม่ได้เหมือนกันสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกวันทุกนาทีอุบเหตุบนท้องถนนเนี่ยเราเห็นลงข่าวทุกวันเนี่ยบางทีก็เกิดแบบไม่คาดฝันนอนหลับสบายๆ บ, บางทีเครื่องบินตกใส่ก็มีตายหมดทั้งตึกก็มีหรือเดินเดินอยู่โดนปืนยิงใส่แบบลูกหลงก็มีโดยที่เราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ก่อเรื่องเลยรถวิ่งอยู่ดีๆเนี่ยบางทีรถข้ามเลนมาชนรถฝั่งนี้ก็มี อันนี้อ่าก็เคเห็นกระตามาแล้วอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยอยู่เหนือการควบคุมของเราบางทีก็เป็นที่กรรมด้วยที่พายเราเนี่ยต้องไปอยู่ในที่เดียนั้ น, น, นแล้วต้องรับผลกรรมนั้นอันนี้เป็นสีกโกรดไม่ได้วันนี้เราแอ่สุขภาพแข็งแรงแต่ต่อไปก็ไม่แน่แล้ะเวลาเราไม่เจอใครนานๆเนี่ยสุขภาพดีเอาอย่างว่าครบสามสองเนี่ยถือว่าโชคดีแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราเนี่ยจะตายเวลาใด เช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนอันนี้ไม่สามารถรู้ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะตายที่ไหนตายนอกบ้านตายในบ้านตายบนภูเขาตายในป่าตายในน้ําตายต่างประเทศอะไรเงี้ยเราไม่สามารถกําหนดได้เลยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าตายแล้วเราจะไปไหนบางทีเขาตายไปแล้วไปตามพิธากรรมทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วพวกเนี้เรากําหนดไม่ได้สิ่งเราทำได้คือไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือ มาให้ทานรักษาศีลภาวนาสิ่งเหล่าเนี้ยจะเป็นจะเป็นเครื่องช่วยเราไปที่พึ่งได้คนที่ทำฟาร์มดีย่อมากทําประโยชน์ส่วนหลวบ้างเนี่ยเวลาตายก็ไม่กลัวตายเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่ทําชั่วมากเนี่ยเวลาเวลาจะตายขึ้นมาในจิตมันหวันหว่นไหวนะมันกลัวกลัวไปทุกติบุญเนี่ยเปรียบเหมือนเรือบาปเนี่ยเปียบเหมือนก้อนหินก้อนหิ น, ก, น, หนก้อนเล็กนิดเดียวโยนลงไปในน้าก็จมและจะเรือสามารถรองรับก้อนหินได้ เยอะแยะเลยก็ไม่จมขณะที่จิตสุดท้ายอยตายเนี่ยถ้าเราสามารถนึกถึงคุณงามความดีนึกถึงบุกุศลได้อันนี้ก็สามารถทําให้ไปสุคติได้แต่ขณะที่ตายเนี่ยไปนึกถึงเรื่องอุศนนึกถึงเรื่องไม่ดีทะเละาะกับใครไว้ไปเบียดเบียนใครไว้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือทุจริตต่างๆเนี่ยสามารถไปทุคติได้เราควบคุมไม่ได้เหมื่อกันแ้วเราต้องมาเจรอสติการเจอสติจะช่วยได้ คือนิมิตอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่เข้าไปในนิมิตนั้นเห็นแล้วก็ผ่านไปผ่านไปได้อันนี้เป็นที่พึ่งอยู่แต่ถ้าเราไม่มาฝึกฝนตนเนี้ยเราก็ต้องเป็นไปตามยาถากรรมขาดที่พึ่งแล้วแต่นิมิตดีหรือลายป ร, กรากฏพอเราทําบ่อยๆมันก็ไปที่สายแลื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยบางคนเห็นยุงกระตบอแบบอัตโนมัติเลยคือตบจนชินนหละมาก็พัวมาก็พัวแต่ถ้าคนใจบุญก็จะ ไม่ค่อยตบเห็นหมดเห็นหมดบางทีก็เดินฆ่าไม่เหยียบเห็นสัตว์ตกในคลองหารสัววันนี้ก็ช่วยชีวิตเขาเอามือในจับ อ, ออกได้เพื่อเขามีชีวิตต่อไปอย่างเมื่อกี้เราก็สวดมนต์อนิสงการเจริญเมตตาซึ่งก็มีอ น, นิสงส์สิบเอดอย่างถ้าชีวิตนักบวชเนี่ยก็ต้องมีความเมตตาถ้าไม่มีเมตตาเนี่ยก็เป็นนักบวชไม่ได้แต่เราก็ต้องฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกเราก็ไม่มเมตตา เพราะใพื้นจิตบางคนก็เป็นคนที่จิตใจอยากกระด้างเจ้าโถสะหรือตามใจตัวเองแต่ถ้าเรารฝึกเนี่ยให้รู้ทานอารมณ์เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงที่ใส่ได้อย่างตัวเรามาเองก็ใช้เวลาหลายปีเลยนะบางเรื่องเราก็รู้ทันบางไม่ทันบ้างเนี่ยแต่ถ้าเราฝึกคาเมตตาเนี่ยพวกสัตว์ก็รักนะบางทีหมาแมวต่างๆเนี่ยก็รักคนก็ไม่ค่อยเกลียดแต่ถ้าคนที่เห็ น, นตัวไม่ค่อยเมตตาเพื่อนก็ไม่ชอบ สัตว์ก็ไม่ชอบเพราะพวกนี้มีธาตรุรู้อยู่สัมผัสได้ทางจิตสัตว์จะวมากเลยบางทีก็ระแวงยิ่งเถ้าพวกไก่อะไรเงี้ยหมาเหมือนกันบางทีพวกนี้มีสัยชาตจาณยที่เร็วมันรู้ว่าคนนี้ไม่ค่อยเป็นมิตรอะไรเงี้ยคนนี้ก็เหมือนกันนะมันจะมีธาตุอะไรบางอย่างที่สัมผัสทางจิตได้ถ้าคนที่คิดไม่ดีต่อกันเนี่ยมันก็มีกระแสจิตทางลบคนที่คิดดีต่อกันเนี่ยมันก็มีกระแสจิตทางบวกเข้าใกล้ก็เย็นเราสังเกตได้เวลาครูบาอาจาร เข้าใกล้แล้วเราจะมีความสุขแต่ถ้าคนไหนที่นิสัยเขาเห็นกับตัวนะเข้าใกล้เราร้อนเลยแหละไม่ไมค่อยสุขเท่าไหร่เพราะคนเรานี่บางทีก็คบกันด้วยธาตุด้วยกันอย่างในโลกเนี้ยคนเราคบด้วยธาตุพวกขี้เมาไปคบขีบเข้เมาพวกนักเล่นการพ น, นันก็ไปคบพวกเล่นการพ น, นันพวกชอบปฏิบัติธรรมก็จะจะคบพวกปฏิบัติธรรมด้วยกันพวกชอบคุยธรรมะ ก, ก็มาคบกับพวกคุยธรรมะด้วยกันคือชอบสิ่งไหน ก็ดึงดูดเข้าหากันแหละแต่ถ้าเราไม่มีสตินะบางทีเราก็ไปคบคนตาบมมีเลตเราทํำชีวิตเราตกต่ำได้อย่างโมงคลศูนย์เนี่ยก็มีข้อแรกเลยอสิวานาจะพาลนานังพระวิจ้าแม่คบคนพาลให้คบบัณฑิตเพราะคนพาล น, นําสิ่งไม่ดีมาสู่ชีวิตเราเนะี่ะถ้าทุกเรื่องเลยนําให้เราเสื่อมเสียชีวิตตกตา่าแต่ไปคบบัณฑิตวิงทีเราก็ต้องฝืนคบบัณฑิตเนี่ยก็ทําให้บางทีก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ จากคนไม่รู้อะไรแล้วกลายเป็นคนมีความรู้ได้แต่ถ้าไปคบคนพานเนี่ยคบคนที่เกเรปุ๊บเนี่ยเอาสมมุติเป็นพระเจอคนที่ขี้ทําทวัดแล้วก็ยุแย่อย่ามาทําวัดเลยอยู่ ส, สบายๆดีกว่าอย่าไปปฏิบัติธรรมเลยธรรมะมีอยู่เองแล้วปฏิบัติธรรมไป ท, ทําไมเพื่อเพิ่มอัตตาตัวเองอะไรเงี้ยคือมันก็มีข้ออ้างไปเรื่อยถือศีลทําไมให้ตัวเองลําบากทุกสิ่ทุกอย่าง มันก็ว่างอยู่แล้วไปทํามันทําไมอะไรเงี้ยมันก็พอบางคนผ้าใหม่หรือผู้ไม่รู้รับเอาความคิดนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนเลยการปฏิบัติธรรมก็ตกต่ําไปเรื่อยๆเพราะว่าจะเลิกฝตนเองจะทําตามกิเลสพราะทําตามกิเลสง่ายกว่าอย่างถ้าเราตามกิเลสมากเราก็ไม่อกอกกอลังกายร่างกายก็อ่อนแอเดี๋ยวก็เจ็บป่วยอย่างถ้าเราทำตาม ทำตามธรรมชาติคือฝืนกิเลส น, นะใช้ชีวิตสมดุลเนี่ยถึงเวลานอนเราก็นอนอย่างชีวิตพลานเนี่ยก็มีช่วงปิจบาตเนี่ยทําให้พลาได้ออกกำลังกายฝาดใบไม้ทมําผู้นทำนี่เนี่ยแต่ถ้าคนคนที่ไม่ทําเลยเนี่ยก้อนแอก็ทําให้เป็นโรคนูนโรคนี้ขึ้นมาหรือแม้แต่การกินก็เหมือนกันถ้ากินอาหารตามใจกิเลสก็ทําให้อ้วนเกิดไขมันหรือทำให้ป่วยได้้งร่งกายใช้ชีวิตเราก็ต้องใช้ชีวิตสมดุลด้วย แต่การที่เราจะใช้ชีวิตสมดุลได้เราต้องมีการยามิตรการยามิดคือครบคนที่ครบผู้รู้ครบบัณฑิตแต่เราไม่ครบผู้รู้ไม่ครบบัณฑิตเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยไม่สามารถเดินทางที่ถูกได้เลยเพราะเราไม่รู้เนี่ยบางทีที่ทำก็ฝ่าไม่รู้ไม่รู้ว่าอาหารไหนมีประโยชน์อย่างไหนเป็นโทษบางทีก็มามา่าอะไรพวกเนี้ยหรืออาหารขยะพอสะสมมากๆเข้าเนี่ยร่างกายก็ป่วยไม่ดีเป็นภูมิแพ้บ้างอะไรบ้างวุ่นวายหมด คือใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องกลางคืนก็นอนดึกๆถ้าเราใช้ชีวิตถูกต้องเนี่ยสุขภาพเราก็ดีขึ้นโรคบางโรค ก, ก็หายได้แล้วก็เรื่องจิตก็เหมือนกันถ้าจิตที่คิดดีคนอื่นเนี่ยก็ทำให้ตัวมีความสุขด้วยแต่ถ้าเราคิดไม่ดีคิดร้ายคนที่ทุกข์ก่อนก็คือเราเนี่แหละเราจะเป็นคนทุกคนแรกเลยเพราะมันขยะอารมณ์ของเราคิดไม่ดีคิดอาฆาตคิดพยาบาท อยาให้คนโน้นไปอย่างนี้อยาให้คนโน้นไปอย่างโู้น่ตัวเองก็ต้อโดนก่อนคนที่เราคิดถึงเขาไม่เป็นไรหรอกการมองโลกในแง่ดีก็ช่วยได้ทาให้เราเนี่ยมีความสุขเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็สามารถผ่านได้หมดอย่างมีหลวงพ่ออยู่ท่านหนึ่งชีวิตท่านมีแต่ความสุขท่านอยู่่จังหวัดอุดรใครๆเรียกท่านว่าหลวงพ่อดีเนาะหลวงพ่อดีเนาะท่านมองโลกในแง่ดีตลอดชีวิตของท่านเนี่ยท่านไม่ทุกข์เลยเกิดอะไรขึ้นมาท่านก็ชอบอุทานว่าดีเนาะอะไรก็ดีเนาะ มีวันหนึ่งลูกศิษย์นิโมนไปฉันเพนที่บ้านเพอเอิญบ้านงานก็อยู่ไกลลูกศิษย์ก็มารับแต่เช้าแหละแต่ว่ารถก็เสียก็ทําให้เสียเวลาก็เลยมารับช้าหลวงพ่อตอนแรกตั้งใจว่าจะไปฉันที่บ้านลูกศิษย์ก็เลยไม่ได้ฉันแต่ว่ารอรถไม่มาทันีก็เลยนําอาหารของตัวเองมาฉันฉันอาหารของเราก็ดีเนาะฉันไม่ได้เพียงกี่คํารถลูกศิษย์ก็มาถึงแล้วต้องรีบไป หลวงพ่อก็บอกไปฉันบ้านานายก็ดีเนาะขึ้นรถไปได้สักพักหนึ่งรถก็เสียคนขับต้องลงไปซ่อมหลวงพอนั่งในรถหลวงพาก็ก็พูดว่าก็ดีเนาะได้ชมวิวทำานกทำเทำ่าไหร่เท่าไหร่รถก็ไปติดคนขับก็บอกให้หลวงวานให้หลวงพ่อช่วยเขน็นหลวงพ่อตอนนั้นก็อายุอายุมากแล้วท่านก็ลงไปเข็นแล้วท่านก็บอกก็ดีเนาะได้ออกลังกายถ้าเข็นจะรถติดอะ แต่ก็เสียเวลาไปมากไปถึงบ้านงานก็เลยเที่ยงอะ่ะไปไปเอามาหลวงพ่อเลยอดฉันเพลเลยฉันเช้าก็ไม่กี่คำเพลก็อดฉันไปถึงเจ้าภาพก็นิมนต์ขึ้นธรรมะเทศเลยหลวงพ่อบอกก็ดีเนาะมาถึงได้ทําหน้าที่เลยระหว่างที่ท่านแสงทําอยู่ลูกศิษย์ก็นํากาแฟมาถวายด้วยความรีบร้อนไปหยิบกระปุกเกลือใส่แทนน้ําตาลท่านฉันไม่ได้หน่อยดึง ท่านก็ยิ้มท่้นบอกก็ดีเนาะฉันกาแฟมันหวานมามากแล้วเปลี่ยนเป็นฉันกาแฟเค็มๆบ้างลูกศิษย์เห็นหลวงพ่อฉันเหลือก็ามาขอทานกาแฟบ้างเพราะถือว่าเป็นมงคลเพราะหลวงพ่อดีเนาะเนี่ยก็เป็นครูบาอาจารย์เปเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอุดรทานไปได้คำหนึ่งก็พ่นพูดออกมาเลยบอกเข็มไม่ปีหลวงพ่อทานไปได้ไงหลวงพ่อขอยิ้มๆไม่ว่าอะไรท่านมองโลก ในแง่ดีมองอะไรก็ดีหมดมีอยู่ครั้งหนึงโจรเนะ่ยขึ้นกุฎแล้วมาป่วนท่านโจรก็ถือปืนมาด้วยมาถือก็ข่มคู่เลยบอหลวงพ่อมีของอะไรส่งมาให้หมดหลวงพ่อเจอโจรแทนที่จะตกใจท่านก็ยิ้มก็บอกก็ดีเนาะเองอยากขนอะไรก็เอาไปเลยข้าเบื่อเฝ้าสมบัติบ้านิมนต์นานแล้วโจรมันก็ข่มขู่อีกนะบอกว่าไม่ได้แค่มาป่วนอย่างเดียวนะต้องฆ่าด้วยเพื่อปิดปาก หลวงพ่อก็ยิ้มแล้วบอกว่าเองฆ่าฆ่าก็ดีเนาะข่าเบื่อดูแลสังขารที่เสื่อมโมทรมลงทุกวันเอ็งฆ่าฆ่าก็ดีจะได้เลิกดูแลรักษาร่างกายทีละทีโจได้ยินดังนั้นเนี่ยก็จะเกิดความใจอ่อนขึ้นมาก็เลยพูดว่าอย่างนี้ฉันไม่ฆ่าหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อก็บอกก็ดีเนาะที่เองไม่ฆ่าฆ่าโจมันก็บอก หลวงพ่อจะเอาไงกันแน่ฆ่าดีไม่ฆ่าก็ดีดหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าองฆ่าฆ่าเนี่ยเองก็ต้องโดนตำรวจตามจับเพ้อๆโดนฆ่าตายถ้าตายแล้วเองต้องไปตกระลกบกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอีกเพราะฉะนั้นเองไม่ฆ่าฆ่าก็ดีเนาะโจรได้ที่ดังนั้นเนี่ยก็เกิดการสํานึกผิดผมปรากฏว่าวันนั้นโจรก็เลยไม่พ้นแล้วก็ไม่ฆ่าจากไปมือเปล่าอันนี้เกิดจากการที่ หลวงพ่อเนี่ยมองโลกในแง่ดีและไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นพวกญาติโยมคงจะสู้โจรเรือโดนโจยฆ่าตายไปแล้วก็ได้เพราะโดยธรรมชาติคนเราจะหวงถ้าสมบัติมันจะมีการยึดถืออยู่ว่า น, นี่ของกูนะบาทีห่หวงสมบัติมากกว่าชีวิตก็มีบางทีโจยกระตุกสร้อยอย่างเงี้ยก็ไปสู้กับโจรโดนโจรยจมีแทงตายก็เยอะคือสมบัติเป็นของนอกกายไม่ตายเราก็หาใหม่ได้แต่เราต้องตั้งสติเหมือนกันบางครั้งเกิดอะไรขึ้น เพราะฉะนั้นมีสติอีกช่วยได้การมองโลกในแง่ดีก็ช่วยได้มองโลกไม่เป็นมองในทางลบชีวิตก็ไม่ค่อยมีความสุขบางทีก็มีศัตรูเยอะแยะบทเพราะเราอาจจะไปล่วมเกินคนรู้คนนี้ก็ได้โดนที่รู้เท่าไปถึงการแต่ถ้าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีศัตรูเราก็ไม่มีมีแต่ความรักกับคนรู้คนนี้ไปแต่เราก็ต้องไม่เรียกร้องให้คนมาชอบเราเพราะเป็นอันนี้เป็นเรื่องของเขาหน้าที่เราก็คือทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดไม่เปลีป่ยนใคร ความรักกับผู้หญิงเจ้าดีที่สุดรักแบบไม่เห็นแก่ตัวรักแบบรักแบบเมตตาแต่รักแบบคนทั่วไปเนี่อรักแบบเสน่หาเนี่ยมันก็เจอไปด้วยความทุกข์ความโศกความพัดผ้าอะไรอีกมากมายบางคนอกหักหรือผิดหวังในความรักฆ่าตัวตายก็เยอะ้เราก็ต้องรักให้เป็นถ้ารักให้เป็นชีวิตก็มีปัญหาถ้ารักรักให้เป็นชีวิตก็มีความสุขแต่เราก็ต้องเข้าใจชีวิตด้วยนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงคนที่เรา รักเนี่ยอาจจะต้องตายเขาไม่จากเราเราก็จากเขาอะ่ะยิ่งถ้ามีรักมากก็ทุกมากถ้าใครมีครอบครัวใหญ่ลูกหลานเยอะเนี่ยโอกาสที่ต้องเสียใจเยอะก็มีสูงเพราะว่าทุกคนเป็นของไม่เที่ยงหมดแต่ถ้คนไม่ค่อยมีความรักก็ไม่ค่อยจะเสียใจเท่าไหร่เพราะปัญหาตัวนี้น้อยงั้นเราก็ต้องเข้าใจโลกสมมุติอย่างวันสมมุติทางโลกเนี่ยปีใหม่จุดจีนวัน ว, นวนเนนาเลนไทยสงการแล้ววันอะไร เยอะๆยหมดอ่ะคิดมากศาสตร์ไทยศายสตร์ลาวอื่นๆอีกมากมายแต่ถ้าคนมาฝึกมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งนั่นเองเป็นวันปกติอ่ะวันแล้ววันเล่าการเวลาก็ผ่านไปไม่ใช่วันที่ต้องยึดมันถือมัน่นอันตราเห็นว่าพูดมาก็สบเกิเวลาสุดท้ายที่เขาขอให้ญาติธรรมมีความสุข